นาฬีใกล้จะได้กลับบ้านแล้วมีหนีไปบ้างไหมไม่มีมีหรือไม่มีตกลงไม่มีนะรุ่นนี้ยังดีนะไม่หนีไปหนีไปโง่ที่สุดเลยโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะนะในชีวิตหนึ่งมีไม่กี่ครั้งหรอกตอนนี้ธรรมะหาฟังยากนะส่วนมากธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมันเป็นธรรมะที่อยู่กับโลก ธรรมะที่จะพ้นจากโลกมันไม่ค่อยได้ยินเท่าไรหรอกเห็นถ้าเราไม่เรียนเราไม่รู้วิธีเดินเราไปไม่ได้โดยสติปัญญาระดับพวกเรามันค้นเส้นทางเดินด้วยตัวเองไม่ได้คนที่ค้นได้ต้องพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพวกเราต้องอาศัยปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าบอกทางให้เราท่านก็ได้แค่บอกนะเราต้องเดินเอาเอง นี่พอท่านบอกไว้นานแล้วเนี่ยธรร ม, มามันเริ่มเคลื่อนไปเรื่อยๆ เ, เริ่มแว่งการปฏิบัติจริงๆหลักที่พระเจ้าสอนจริงๆนั้นไม่ได้ยากไม่ยากเกินกว่าที่สติปัญญาของมนุษย์ธรรมดาๆรรจะทำได้พอธรรม ม, มันเคลื่อนเคลื่อนไปนะมันไม่รู้จะทำยังไงมันไปนติดกันที่เปลือกของการปฏิบัติจนหมดแล้วก็ตั้งทะเลาะกันนะสำนักไหนดีกว่าสำนักไหน รู้ลมหายใจดีหรือรู้ท้องผ่องยุบดีหรือขยับมือดีหรือรู้อิริยาบทสี่ดีหรือรู้เวทนาดีสิ่งเหล่านั้นเป็นเปลือกของการปฏิบัติแค่รูปแบบนะนะแค่ตัวอารมณ์เรียนกันเรื่องจะไปรู้อะไรรู้ลมหายใจรู้ท้องรู้มือรู้เท้ารู้ร่างกายรู้เวทนาหรือจะรู้อะไรนั่นแค่เรื่องของอารมณ์สิ่งที่ถูกรู้ สิ่งที่ถูกรู้นั้นถ้ามันเป็นรูปเป็นนามป็นกายกับใจใช้ได้เหมือนกันหมดเลยไม่ดีไม่เร็วต่างกันหรอกยั น, นรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบรู้มือรู้เท้ารู้ท้องอะไรเนี่ยนะรู้อิริยาบถรู้เวทนารู้กิเลสอะไรพวกนี้เท่าเทียมกันไม่ดีไม่เร็วกันหรอกยนันถ้าจะมานั่งเถียงพุโทโธดีหรือพองยุบดีอันนั้เอาไว้ให้คนที่เขาไม่เข้าใจหลักของการปฏิบัติให้เขาเถียงกันไป ถ้าอารมณ์ใดเป็นอารมณ์รูปนามนะใช้เจริญวิปัสสนาได้เหมือนกันทั้งนั้นอนะเท่าเทียมกันปัญหาใหญ่มันอยู่ที่วิธีที่เราไปรู้รูปนามต่างๆวิธีที่ไปรู้รูปนามคือวิธีเจริญวิปัสสนานะตัวนี้ถูกหรือไม่ถูกสิ่งที่ผิดนะมีสอ ง, งอันอันหนึ่งคิดเอาอันหนึ่งเพ่งเอาถ้ายัางไปคิดเรื่องรูปนามก็เป็นสมถะถ้าไปเพ่งรูปเพ่งนามก็เป็นสมถะไม่ใช่รู้รูปนาม งั้เราต้องเรียนจนกระทั่งเราสามารถจะรู้รูปนามเป็นนะมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยถามว่าหลวงพ่อสอนอะไรนะสังเกตตอนส่งกันบ้านไม่มีทุกรูปแบบเลยสอนทําสมาธิก็มีนะสอนรู้ไกลก็มีสอนดูจิตก็มีสอนทําฌานก็มีมีทุกรูปแบบเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเปลือกไม่สําคัญเท่าไหร่หรอกนะเปลือกของมันขอให้เป็นแค่รูปแค่นามไมใช้ได้เหมือนกันหมดลนะ แต่ว่าวิธีรู้ที่ถูกต้องนะรู้ยังไงที่ไม่คิดรู้ยังไงที่ไม่เพ่งส่วนใหญ่รู้แล้วก็คิดยกตัวอย่างนะเช่นพอรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจไปก็หายใจเข้าพุทหายใจออกทัวกลายเป็นสมถะละนะรู้แล้วคิดคิดอะไรคิดพุทธทัวนะดูท้องนะพองนอยุบนออะไรนะก็คิดอีกแหละคิดเรื่องพองเรื่องยุบนะ เดินจงกรมยกหนออย่างหนอนี่ก็คิดอีกแหละนั่งสมาธิดูร่างกายนั่งคิดไปร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามหรือร่างกายนี้เป็นโครงกระดูกอันนี้ก็คิดเอาอีกแหละถ้ายังเจอด้วยการคิดไม่ใช่วิปัสนามีปัสนาต้องพ้นจากการคิดถึงจะคิดเรื่องไตรักยังคิดเรื่องปฏิกูลอสุภะนี่ไม่ใช่คิดเรื่องใจรักด้วยซ้ำไป ขนาดคิดเรื่องใจ ร, รักนะยังไม่ใช่วิปัสนาเลยเช่นเรามานั่งดูตัวเราเองโอ้ร่างกายนี้นะ่าไม่เที่ยงเลยแต่ก่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเดี๋ยวนี้เริ่มแก่เท่าผมงอกแล้วหนังเหี่ยวแล้วนี่ร่างกายนี้ไม่เที่ยงอีกหน่อยก็ตายเนี่ยอุตสาหคิดนะให้มันเป็นใจ ร, รักษมันไม่เที่ยงเป็นอีกหน่อยมันก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะีคิดอย่างนี้ตายแล้วก็เป็นธาตุอันนี้ก็สมถะนะ นั the ้นมีป hey. ั Jadi, ัชนาจริงๆเลยขั้นการคิดไปถ้ายังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสนาคิดเรื่องไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเอาถ้าพูดถึงโสรดยานการเห็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเอานี่เรียกว่าสัมมสนญาณสัมมสนญาณยังไม่ขึ้นวิปัสนาสัมมสนญาณนี่แค่เห็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเอาเมื่อวิปัสนานี่ยมันเลยขั้นคิดไปในขณะเดียวกันวิปัสนาไม่ใช่เพ่งเอา พวกนักปฏิบัติร้อยละร้อยนี่พูดซื่อๆเลยนะสมัยก่อนนี้มีเศษนิดๆหน่อยๆจนไม่มีนัยยะไอ้ที่ไม่ได้เพ่งอ่ะงั้นถ้าพูดให้เกรงใจหน่อยก็90กว่าเปอร์เซ็นต์เกว่าเปอร์เซ็นต์นะเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่เพ่งกายก็เพ่งใจความจริงนะเกือบเต็มร้อยมีเศษเล็กๆน้อ ย, อยๆหรอกที่ไม่ได้เพ่งเอา พวกเศษเล็กเศษน้อยนี่แหละประเภทจุดศูนย์จุดอะไรเงี้ยนะมีเศษนิดๆเนี่ยพวกเนี้ยที่จะได้มรรคผลอีกเกือบเต็มร้อซไม่มีทางที่จะได้มรรคได้ผลเพราะอะไรเพราะเอาแต่เพ่งคิดถึงร่างกายก็เพ่งกายจะปฏิบัติ ด, ดูกายที่บอกว่าจะรู้กายรู้กายก็เพ่งกายทั้งนั้นเลยพวกที่ว่าดูเวทนาก็เพ่งเวทนาพวกที่ว่าดูจิตก็เพ่งจิตเพ่งเหมือนกันหมดนะไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วจะเป็นวิปัสสนาอย่างเดียวนะ ดูจิตถ้าไปเพ่งใส่จิตนะหรือไปคิดเรื่องจิตนั่นก็เป็นสมถะนะไม่ใช่วิปัสนาเราเราลองนึกดูเวลาเราเดินจงกรมนึกออกไหมทันทีที่เราคิดเรื่องเดินจงกรมนะเราเริ่มบังคับตัวเองบังคับร่างกายก่อนท่าเดินที่พ่อที่แม่สอนมานะั้นลืมหมดเลยนะไปเดินแบบผิดธรรมชาติธรรมดาลนะหลักของการเดินจงกรมจริงๆคือเดินด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่เดินท่าไหนนะ แล้วก็เถียงกันนะบางแห่งก็เถียงว่าเดินเนี่ยต้องยกเท้าสูงเท่านี้หลวงพ่อเคยเห็นนะ<ม>บางสำนักนะเดินเนี่ยยกยกเข่าขึ้นมายกขาทอดเนี่ยนะจนขนานพื้นอย่างนี้เลยเหมือนเต้นโขนเลยนะจ่ยจุ๊บเนีเราเห็นแล้วโอ้ตาย<笑><笑><笑><笑><笑><笑>เดินลงไปแข้งขาแทบหกักนะทําไมต้องผิดธรรมชาติเพราะเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องเหนือธรรมดา เราไม่รู้ว่าธรรมะคือธรรมดางั้นทันทีที่จะรู้กายนะก็ผิดธรรมชาติธรรมดาบางคนจะเดินสักก้าวหนึ่งทั้งหลายชั่วโมงเดินนานาๆ น, น, า น, น, านหรือบางคนก็เดินเหมือนไล่ควายชบัชบชบัชบ ช, บ ช, บชบเดินให้เร็วๆไว้ก่อนพยายามเคลื่อนไหวให้เร็วผิดธรรมชาติไว้บางคนก็ทําให้ช้าผิดธรรมชาติไว้หรือเวลาพวกเรารู้ลมหายใจนึกออกไหมหายใจธรรมดาไม่เหนื่อยรู้สึกไหม พอเอาละต่อไปนี้จะปฏิบัติจะมารู้ลมหายใจต้องวางฟอร์มมานั่งให้สง่า ง, งามเ mm hmm. ถียงกันอีกมือจะจอดอย่างนี้หรืออย่างนี้เอาไงดีเอาอย่างนี้เออหรืออย่างนี้สํานักไหนจะถูกกว่าสํานักไหน <c oughs> อยู่ที่สตินะฮะไม่ใช่วิชาลมปราณเนี่ยจะได้โกจรจากจุดนี้ไปจุดนี้เห็นไหมเอาหรือสีชีไพายเข้ามาผลแ ใครถนัดแค่นี้ก็แค่นี้ใครถนัดแค่นี้ก็แค่นี้บางคนถนัดท่านี้ก็แค่นี้ได้นะยังไงก็ได้แต่พวกเราทันทีที่คิดถึงทาอนาปานาสติเราต้องวางฟอมปุ๊บตั้งพอตั้งได้ที่นะดัดแปลงกายเรียบร้อยแล้วก็ดัดแปลงใจซึมกันเรซึมเรซึมได้ที่กนะ็ค่อยดูลมหายใจ มีหลายกระบวนท่ามากเลยมันล้วนแต่ของปลอมนะล้วนแต่ดัดแปลงถ้าไม่ได้นั่งท่านี้ไม่หายใจหรือถ้านั่งไม่ถูกท่านี้ไม่หายใจหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใช่ไหมอานาปนานสตินะั่นคือการที่เรามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนั่งท่านี้ก็อานาปนานสติได้นะท่านี้ก็ได้นั่งอย่างโลภคุณก็ได้นั่งได้ทุกท่าแหละนะ แต่ว่าแล้วแต่เราถนัดนะนั่งเก้าอี้ก็ได้หายใจแล้วก็รู้สึกตัวหายใจแล้วก็รู้สึกตัวไม่ใช่หายใจบังคับกายบังคับใจไปนะพวกเรานึกออกอยังเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไรนะถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจหรือไม่ก็บังคับทั้งสองอย่างจะเดินจงกรมก็ต้องซึมใชม่บางคนก็ทำใจอ่อนๆให้ดูนุ่มนวลบางคนก็เดิน อ, อะไรอะไรที่มันผิดธรรมชาติธรรมดานะมันไม่ใช่การรู้แต่มันคือการเพ่งคือการบังคับคือการควบคุมธรรมวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้ต้องการบังคับกายบังคับใจไม่ต้องการเพ่งกายเพ่งใจแต่ต้องการรู้ความจริงของกายของใจเมื่อเราอยากรู้ความจริงเราอยากเข้าไปแทรกแสงความจริงร่างกายเป็นยังไง ร, รู้ไปอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไง ร, รู้ไปอย่างนั้น ตามรู้มันเร่ยไปนะร่างกายมันยืนอยู่ก็รู้สึกนะร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายมันทํางานไปเราแค่มีสติมีสติเราก็เห็นร่างกายมันทํางานของมันไปเรื่อยยืนเดินนั่งนอนบ้างหายใจออกหายใจเข้าบ้างขยับไม้ขยับมือนี่แมงวันมาขยับนะส่วนแมงวันมานะมาเกาะจมูกแล้วต้องกําหนดก่อน5นาทีแล้วยังไม่ได้ไล่เลยพอดีมันออกไข่เสร็จ ธรรมชาตินะธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เพ่งเอาไม่คิดเอาไม่เพ่งเอาจรินะคิดเอาก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเพ่งเอาก็ไปสร้างภพของความนิ่งๆว่างๆขึ้นมาเพ่งกายก็เรียกว่าเพ่งรูปเพ่งจิตใจเพ่งความรู้สึกก็เรียกเพ่งนามเพ่งรูปเพได้อะไรได้รูปประชานไม่ใช่ได้ปัญญานะเพ่งนามได้อะไรได้อรูปประชาน ไม่ใช่ได้ปัญญาถ้าอยากได้ปัญญาอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจให้ดูความเปลีป่ยนแปลงของกายของใจไปนะเรียกว่าดูลักษณะของมันดูความเป็นไตรลักษณ์ของมันเห็นไหมร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานี่เมงวันมาละชูบชู่ชนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เห็นเราตีแมงวันเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวแค่รู้สึกรูปมันไหวแค่รู้สึกไม่ใช่เราหรอก ใครทำได้แล้วบ้างขยับอยู่แล้วรู้สึกไหมตัวนี้ไม่มีเราหรอกนะฝึกกับหลวงพ่อพักเดียวก็ทำเป็ น, นง่ายดูกายเห็นกายไม่ใช่เราเราดูกายไปนะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ร่างกายที่หยุดนิ่งอยู่นี่เป็นศักดิ์แต่ว่ารูปศักดิ์แต่ว่าก้อนาธาตุศักดิ์แต่ว่าอะไรอย่างหนึ่งซัมติงอะไรอย่างหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกนั้นดูไปอย่างคันขึ้นมารูป รูปรู้สึกถึงความเป็นก้อนธาตุไหแข็งแข็งอ่อนอ่อเย็นเย็นร้อนๆ้นี่ก้อนธาตุเย็นเย็นร้อนร้อนี่ธาตุไฟแข็งแข็งอ่อนอนนี่ก็ธาตุดินนะก็รู้สึกมันรู้สึกเห็นมันแค่เป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองแต่และคนลองจับมือตัวเองลองจับมือตัวเองสินะะลองบีบมือนึงเอามือหนึ่งมาถูกบีบมือหนึ่งเป็นคนบีบสังเกตไหมมือที่ถูกบีบอยู่เนี่ยมันบอกไหมว่าเป็นตัวเรา รู้สึกไหมมันมันมันพูดไหมว่ามันเป็นตัวเรามันเป็นมือเราไม่มีนะแต่ตรงที่มันคิดว่าเป็นเราเนี่ยเป็นความคิดของเราเองร่างกายจริงๆมันไม่เคยบอกเลยว่ามันเป็นตัวเราดงนั้นจริงๆแล้วการรู้รูปนะก็รู้ลงไปเลยเห็นถึงความจริงเลยว่าเขาไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเท่านั้นเองแต่ความหลงผิดนะไปสําคัญมั่นหมายว่ามันเป็นตัวเราเรียความหลงผิดนะ ความเห็นผิดว่ามันสคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเรียกว่าสักกายทิฐิพระโสดาบันไม่มีสิ่งนี้เพราะพระโสดาบันเห็นความจริงเนืองเนือง น, นี่เป็นแค่วัตถุไม่ใช่เราหรอกมีธาตุไหลเข้ามีธาออตาาาาไาุไหลออกตลอดเวลาร่างกายนี้มีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลารู้สึกไหมหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยสมัยพุทธกาลท่านชอบเปรียบร่างกายเหมือนถุงหนัง คนโบราณเอาหนังมาเย็บถุงใส่น้ําได้นะเหมือนถุงหนังถ้าเดี๋ยวนี้เหมือนถุงพลาสติกแต่ของท่านเปรียบเหมือนถุงหนังว่าร่างกายนี้เป็นแค่ถุงหนังเท่านั้นเองเหมือนถุงมีของใส่อยู่ข้างในนะเป็นถุงถุงนี้ไม่ใช่ถุงดีถุงวิเศษถุงนี้มีรูรั่วใหญ่ๆอยู่เก้ารูไปนับเอาเองได้เก้ารูไหมมีรูรั่วใหญ่ๆเก้ารูรูรั่วเล็กๆเนี่ยนับไม่ท้วน เนี่ยท่านดูกายมาในะความจริงของมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นไหมมันเป็นถุงหนังมันมีหนังหุ้มอยู่เป็นถุงหนังนะแต่ถุงหนังนี่หุ้มไม่มิดหรอกมีรูรั่วใหญ่ๆเก้ารูมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนนะพวกขุมขนต่างๆนะมีของโโครกไหลออกมาเป็นนิดไหมของที่ไหลออกมามีอันไหนสะอาดบ้างไหนลองบ้วนน้ำลายให้เพื่อนชิมดูนะสะอาดไม่มีใครเขาชิมด้วยเห็นไหม พายลมมาให้เพื่อนดมชื่นใจมีไหมไม่มีอ่ะมันร่างกายมันเป็นถุงหนังนะมีรูรั่วอยู่มีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดเนี่ยเราแค่รู้สึกอยู่นะร่างกายเนี่ยมแค่ถุงหนังใบหนึ่งก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงเดี๋ยวพองเดี๋ยวแฟบเห็นไหมไม่ใช่ดูท้องพองยุบแล้วนะแต่ดูถุงหนังเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงเวลาหายใจก็เห็นไหมถุงหนังนี้มันก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงนะเดินแล้วถุงนี้มันก็แขว่งไปแกว่งมาเห็นไหมเดิน ร่างกายมันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะมันแค่เคลื่อนที่เท่านั้นเองมันไม่ใช่คนหรอกมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เขานะถ้าเรามีสติมีปัญญาจริงๆริงมจะรู้สึกเลยร่างกายไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุหรือเหมือนถุงหนังใบหนึ่งเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะเท่าน น, น้นเองมาดูจิตดูใจก็เหมือนกันดูให้เห็นไตรลักษนณะ์จิตใจนั้นแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วอย่าไปเพ่งใส่มันอย่าไปคิดอะมากนะตามรู้ความรู้สึกของตัวเองไปสิ เดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์จริงไม่จริงมีใครสุขตลอดเวลาช่วยยกมือให้ชมหน่อยมีไหมใครมีความสุขตลอดเวลายกมือซิใครมีความทุกข์เป็นครั้งคราวช่วยยกมือสินี่ถูกหลอกแล้วดูก็ยังมีพวกไม่ยกเหมือนเดิม <laughs> เวลาเราตั้งคําถามกับโยมเนี่ยต้องตั้งกลับไปกลับมาเพราะโยมเนี่ยรับวัฒนธรรมไทยมามากคือไม่เลสปอน เฉยๆไม่ออกความเห็นดีที่สุดนะเราดูใจของเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตามรู้เฉยๆอย่าไปคิดเอาไม่ต้องนั่งคิดนะจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตเป็นอะไรธาตุชนิดหนึ่งเป็นธาตรู้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะจิตนี้เกิดดับตลอดเวลาไม่เที่ยงนะไม่ต้องไปคิดนะดูของจริงแล้วก็อย่าไปเพ่งถ้าเพ่งจิตก็นิ่งไม่มีไตรลักษณ์ให้ดู เช่นเพ่งจิตในเพ่งจึ๊กลงไปเพ่งจิตนี่เพ่งได้หลายแบบอันหนึ่งเพ่งความว่างๆเวลาดูใจรู้สึกว่างๆแล้วไปจับที่ความว่างอันที่สองเพ่งแล้วไปจับเอาที่ตัวรู้นะอันที่สามเพ่งแล้วจับเอาความไม่มีอะไรเลยอันที่สี่เพ่งแล้วก็น้อมใจให้เคลิมลงไปในเวลาดูจิตนะถ้าดูผิดมันจะไปสีอันนี้สีอันนี้คืออะไรคืออรูปฌานสีอันหนึ่งเรื่องอากาสารนจัยยัตนะเพ่งช่องว่าง อันหนึ่งชื่อวิญญาณัญจายตนะเพ่งตัวจิตผู้รู้อันหนึ่งชื่ออากินจัญญายตนะเพ่งความไม่มีอะไรอย่างบางคนสอนดูจิตนะเที่ยวสอนดูจิต ด, ดูไปแล้วอย่าไปคิดอย่าไปนึกนะครองใจให้นิ่งประคองใจให้ว่างไม่มีอะไรเลยไม่เอาอะไรเวยนะว่างๆว่างๆเนี่ยชื่ออากินจัญญายตนะเป็นสมถะชนิดหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็จะเพ่งจิตแล้วก็ทําใจอ่อนๆนะคลายความคิดความนึกออก เหลือความรู้สึกตัวอยู่นี้เดี่ยวริบลีริบลีร่างกายหายไปหมดนะไม่มีร่างกายเหลือแต่ความรู้สึกตัวริบลีริบลีอยู่นี้เดี๋ยวรู้สึกก็ไม่ใช่ไม่รู้สึกก็ไม่เชิงเรียกเห็นไหมว่าสัญญาณาสัญญาญาตนะงั้นถ้าดูจิตผิดไปเพ่งจิตเข้าเราก็จะเพ่งได้สแบบนี้ไม่มีแบบที่ห้าพราะพุทธเจ้าสอนไว้สี่มันก็ต้องมีสี่ไม่มีอันที่5้าเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกถ้าดูกายก็เพ่งรูป ดูกายแล้วไปเพ่งกายก็เป็นการเพ่งรูปได้รูปประชานสีรูปประชานสีนะพอถึงชานที่สีน่ะ้มีทางแยกชานที่สี่อันหนึ่งนะหยุดหายใจเลยลมหายใจระงับไปเลยนะแล้วก็ใจเนียสงบตั้งมั่นอยู่เป็นอุเบกขาอีกแนวนึงนะมันจะฉีกแนวไปพวกที่ไม่ชอบสนใจจิตเลยเพ่งรูปอย่างเดียววิธีฝึกเช่นจะหยิบน้าสักขวดนะเพ่งอยู่ที่มือนะ ไม่สนใจที่ความรู้สึกตัวเลยสักนิดเดียวทิ้งความรู้สึกตัวแต่เพ่งแต่มือเพ่งแต่เลี้ยงการเพ่งรูปเนี่ยพอถึงสุดท้ายมันจะได้ฌานที่สนะี่ถ้าฌานที่สี่แล้วเนี่ยไม่สนใจในความรู้สึกเลยเยจิตจะดับลงไปเหลือแต่ร่างกายนั่งตัวแข็งๆอยู่ น, นั่งนั่งเนี่ยบางทีก็หลับตาบางทีก็ลืมตาบางทีอ้าปากเนียหมดความรู้สึกไปเนะหลือร่างกายอย่างเดียวอันนี้เป็นสัตว์พิเศษอย่างพวกเราเป็นสัตว์มีห้าขัน มีขันห้าเรียกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเพ่งกายมากๆนะแล้วก็จิตดับลงไปเป็นสัตว์หนึ่งขันสัตว์หนึ่งขันเรียกว่าปล่มลุกฟักภาษาบาลีเรียกอสัญญาสัตตาภูมิเป็นอสัญญาสัตตาภูมิเป็นสัตว์ซึ่งไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆทั้งสิ้นจิตมันดับไม่มีจิตเดียวขันเดียวคือรูปประขันไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ งันบางคนภาวนาเพ่งรูปมากๆากนะก็มาเป็นพรหมลูกฟักนี่หมดความรู้สึกตัวนั่งตัวแข็งทื่อบางคนเพ่งนามก็ไปเป็นอรูปปรพรหมเพ่งนามอารูปประพรหมร่างกายหายไปหมดเลยเหลือแต่ความว่างๆเหลือแต่จิตกับความว่างหรือไม่ก็เพ่งจิตนะเห็นจิตเนี่ยซ้อนจิตซ้อนจิตไปเรื่อยนะวิญญาณซ้อนวิญญาณไปเรื่อยวิญญาณเป็นอ น, นันต่ก็เพ่งความไม่มีอะไรเวงวางไรขอบไร้เขต ที่ใจก็อ่อนเนออ่อนลงไปอ่อนลงไปเนี่ยทำผิดนะถ้าเพ่งกายก็ผิดนะเพ่งจิตก็ผิดถ้าเพ่งกายก็ได้รูปปรฌานถ้าเพ่งจิตก็ได้อารูปประฌานถ้าคิดเรื่องกายถ้าคิดเรื่องจิตนะถ้าคิดในทางไม่ดีก็ฟุง้งซ่านเกิดกิเลสคิดเรื่องกายไม่ได้เป็นสมถะเสมอไปเช่นสมมติสมมติสมมติว่าอ้อวิาชินีนั่งใกล้ๆชมพู เกิดพิจารณากายของชมพูอุ้ยชมพูมันสวยจังนะดีอย่างงน้ดีอย่างนี้อาจจะเกิดราคะนะเกิดเบี่ยงเบนขึ้นได้เออเกิดความเบี่ยงเบนขึ้นะหรือหนุ่มคนนี้อยู่ใกล้หนุ่มคนนี้แล้วพิจารณาทุกวันเลยนี่มันน่ารักนะมันหล่ออย่างงน้นหล่ออย่างนี้นะนานๆไปเบี่ยงเบนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไปคิดในทางทางสวยทางงามเนี่ยราคามันเกิดได้หรือคิดในทางไม่ดีนะ เช่นหมอโอ๊ตนั่งใกล้ชมพูหมอโอ๊ตก็นึกนินทาชมพูคนอะไรวะสูงจังออสมมติอย่างนี้นะสูงกว่าเราหนึ่งนิ้วไม่ชอบเลยไปคิดทางไม่ดีโทษะจะเกิดเกลียดแล้วมันน่าดูกว่าเราเราเกลียดเออนะี่คิดไม่ดีโทสะเกิดไม่ใช่ว่าคิดร่างกายเรื่อง ก, องกใจแล้วจะต้องเป็นสมถะเสมอไปนะแล้วไปคิดมันเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะเป็นอะไรเงี้ยเป็นาธาตุเป็นขันอะไรเงี้ยคิดแล้วใจสบาย นะคิดแล้วเออหน่อยมันก็ตายนะอย่างเงี้ยคิดแล้วจิตใจสงบใจสบายก็เป็นสมถะนะนะคิดเรื่องกายคิดเรื่องใจนะถ้าคิดดีๆหน่อยก็เป็นสมถนะได้สมถะเมื่อก่อนรู้จักพระวงหนึ่งที่หลวงพ่อกเกษมเกษมเขมกูหนะลวงพ่อกเกษมเนี่ยเคยสอนว่าคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นใจเย็นสบาย คิดดีก็ใจเย็นใช่ไหมสมมติเราคิดถึงหมอโอต๊ตโอ้หมอโอ๊ตนี่เป็นคนดีนะดีอย่างงอนดีอย่างนี้คิดในทางดีๆกับเขาใจเราก็สบายใจคิดในทางไม่ดีก็ใจใจเราร้อนขึ้นมาเขาเร็วอย่า ง, งนี้เขาเร็วอย่า ง, งนี้โทรศัพท์ก็เกิดเนี่ยถ้าคิดดีนะอย่างมากที่สุดก็แค่ใจเย็นเย็นอกเย็นใจสบายอกสบายใจแค่นะั้นคิดไม่เป็นใจเย็นสบายคิดไม่เป็นคืออะไรเหนือคิดนะรู้อย่างที่เป็นเลย รู้กายอย่างที่เขเป็นรู้ใจอย่างที่ก็เป็นเย็นสบายเป็นความดับสนิทคืออะไรคือนิพพานเราะนั้นเราหลุดออกมาจากโลกของความคิดได้นะมารู้สึกกายรู้สึกใจไปวันหนึ่งเราจะรู้จักนิพพานนิพพานเป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่งแตกต่างกับสภาวธรรมชนิดอื่นสภาวธรรมชนิดอื่นเป็นสภาวธรรมที่ปรุงแต่งทั้งสิ้นเป็นความปรุงแต่งทั้งสิ้นร่างกายก็เป็นของปรุงแต่งร่างกายก็ปรุงมาด้วยธาตุจิตใจก็เป็นของปรุงแต่ง ปรุงด้วยความรู้สึกนึกคิดต่างๆทําง า, ง, ทงานได้สารพัดเลยแต่นิพานเป็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งเป็นสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งนั่นนิพานไม่มีธาตุไม่มีขันนะไม่มีทุกไม่มีความปรุงแต่งนิพานพ้นจากทุกสิ้นเชิงเป็นความดับสนิทของความทุกขเป็นความดับสนิทของกิเลสเป็นความดับสนิทของความปรุงแต่ ง, งนั่นนิพานนี้มีสภาวะอยู่นะไม่ใช่ไม่มีแต่เป็นสภาวะที่ว่างว่างจากกิเลสว่างจากทุกว่างจากขัน ไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยถ้าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุเฉทัตทิฏฐินิพานไม่ใช่ว่างเปล่าแบบอุเฉ ท, ท, ทัตทิฏฐินิพานว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแต่งว่างจากขันว่างจากทุกข์ว่างจากสิ่งเหล่านี้แต่ตัวนิพานนั้นมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขที่สุดเลยหลวงพ่อเกษมเลยบอกว่าคิดไม่เป็นะเย็นสบายเยสเช่นเยนสบายคือความดับสนิทของทุกข์นั่นเองร่มเย็นเป็นสุข งั้นเราค่อยๆพัฒนาตัวเองนะมาค่อยรู้สึกกายรู้สึกใจในวันหนึ่งเราจะได้นิพพานไม่ใช่คิดเรื่องกายเรื่องใจนะว่าเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะหรือคิดไปทางสวยทางงามนี่ยิ่งแล้วใหญนะ่แล้วก็ไม่ใช่คิดเรื่องจิตใจวนะ่ไม่เที่ยงอย่างโ น, น้นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ไม่ใช่คิดเอาให้คนรู้สึกเอาไม่หลงไปคิดนะแล้วก็ไม่เพ่งเอาไว้ทําได้ไหมทําไม่ได้ ถ้าทําเมื่อไหร่ก็เพ่งเมื่ น, นั้นให้รู้เอานะไม่ใช่ให้ทําเอาเห็นไหมโดนต้มจนได้ <c oughs> สอนโยบนะพอตั้งคําถามที่ไรเปื่อยทุบทีเลย <c oughs> <c oughs> ทําไม่ได้นะไม่มีอะไรหรอกที่เราทําได้เราทําเหตุของมันไม่มีใครทําผลของมันหรอกทําเหตุของมันหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจไปค่อยดูกายทํางานดูจิตใจทํางานหัดอย่างนี้บ่อยๆนะแล้ววันนึงก็จะเห็นความจริง ทางกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นความจริงตรงนี้ได้เป็นพระโสดาบันดูต่อไปอีกนะถ้าไปยึดเมื่อไรนะถ้าไปอยากเมื่อไรก็ทุกถ้าไม่อยากไม่ยึดนะก็ไม่ทุกค่อยๆดูไปนะดูไปจนวันหนึ่งมันพ้นอยากพ้นยึดไปก็พ้นทุกไปไม่ยากเท่าที่คิดหรอกมันยากสำหรับคนที่ไม่รู้หลักก็นั่งเถียงกันแนละ้วว่าหายใจดีหรือว่าดูท้องดีหรือว่าขยับมือดีคนไม่รู้หลักนะ รู้หลักก็คือมีสติหายใจอยู่ก็เห็นร่างกายมันหายใจไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนรู้จิตที่รู้ก็ไม่ใช่ตัวเราเห็นท้องพองยุบก็เห็นไปร่างกายที่พองยุบไม่ใช่เรานะจิตที่เป็นคนไปรู้ร่างกายพองยุบก็ไม่ใช่เราไหมอันเดียวกันนั่นแหละเถียงกันหาสวรรค์วิมานอะไรดับรองเถียงแล้วไม่ได้สวรรค์วิมานนะเถียงแล้วใจร้อนเดี๋ยวตี олет, กันจริงๆแล้วหลักธรรมะที่สอนอยู่ในสำนักต่างๆนี้ส่วนมากก็ใช้ได้นะ เพียแต่เราเรียนแล้วเราเอาแต่เปลือกามานั่งเถียงกันถ้าเรียนให้ได้แก่นนะเรียนให้ได้แก่นว่าเราไม่ได้คิดเอานะเราไม่ได้เพ่งเอานะแต่เรารู้สึกเอาคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจเห็นกายทางานเห็นจิตใจทํางานไม่นานมันก็เห็นความจริงหรอกไม่มีตัวเราในกายในใจนะให้ฝึกเอาไปเชิญทานข้าวนิมนต์ท่านอาจารย์ครับ